ค่ะคือท่านบอกว่ากําเนิดเดีาชานเปรตวิสยัยผู้นี้ทําบุญไม่ได้ดิฉันสงสัยเลยอืบางคนนี่เขารักสุนัขมากใช่เข้าสุนัขไปทํากุศลในความเชื่อของเขานะคะบางคนเนี่ยเวลาจะทําบุญเนี่ยอาจจะให้สุนัขของตัวเองบอก อ, อาธิษฐานซะนะชาติหน้าจะเกิดเป็นคนมาอยู่ด้วยกันอะนะคะดิฉันเพิ่งเห็นรูปเพื่อนโชว์ให้ดูในบีบีอะคะ่ะ <laughs> เป็นสุนัขนั่งทําท่าเหมือนคนนั่งสมาธิเลรอคะท่านะคะเพือ่อนดิฉันก็บอกว่านี่ไงสุนัขปฏิบัติธรรม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 ในบรรดาที่ไม่ใช่มนุษย์ต่ำกว่ามนุษย์เนี่ยยังมีลําดับขั้นที่แย่ๆๆๆใช่ใชมากขึ้นอย่างคนอยู่ในคุกเนี่ย ค, คนคุกเนี่ยนะคุณยมติว๋วก็จะมีหลายประเภทใช่ไหมคนติดคุกแบบติดคุกแบบแน่นเลยไม่ไม่เห็นแสงเดือนแสงตะวันก็มี ค, คนอาชญษธน์นอ่ะคนติดคุกแบบที่มาช่วยศสตีทํางานบัญชีทํางานอะไรก็มีมคนติดคุกแบบมาช่วยศสตีทําความสะอาดล้างท่อก็มี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 ถูกต้องถูกต้องคุณคุณโจมโจมเติยวเขาใช่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปกลัวคําว่าสัตว์ถ้าต่อด้วยบุรุษนะคะจงเป็นสัตบุรุษใช่และจงเป็นสัตบุรุษที่ยิ่งกว่าสัตบุรุษคือการบอกทําให้คนอื่นชวนให้คนอื่นพูดสัมมาวาจาใช่ส่วนใหญ่คนจะเป็นอย่างนี้คุณโจมเติยวตัวเองไม่ทําหรอกแต่บอกให้คนอื่นทาดิฉันก็เคยเป็นแั้นเหมือนกันนะคะคือตัวเองยังด่าเขาอยู่แต่บอกคนอื่นว่าอย่าด่าสิอย่าพูดหยาบสินี่นะฉันอุตส่า ก็ขึ้นกอไกลกมอม้าแล้วนะในเมืองนะแต่ว่าบอกให้กลณหนึ่งพูดสุภาพหน่อยเงี้ยเลยบางคนก็เลยบอกว่าพูดสุภาพพูดกรู ก, กับมึงเด็กๆวัยรุ่นก็จะเป็นกันนะคะกาบอกว่านี่ไงไม่ใช่ ค, านะครรําหยาบนะมีควบกล้ามด้วยนะใช่ใค่ะงั้นเรามารณรงค์ให้คนพูดสัมมาวาจาโดยในส่วนของการเขียนใบโพขออธิบายอีก น, นิดนึงนะคะว่าไม่ได้เป็นการผูกมัด จ, จนเกินไปเพียงแต่ว่าให้ท่านศึกษาว่าสัมมาวาจา ที่พระพุทโ์ตรัสไว้เนี่ยมี4ี่องค์ประกอบคือไม่พูดปดไม่พูดให้แตกแยกมไม่พูดคำหยาบแล้วก็ไม่พูดเพ้อเจ้อสรุปสุดท้ายก็เพียงสัญญาว่าจะพยายามทำมนะคะแล้วระหว่างทางเนี่ยดิฉันเข้าใจว่าสามาราทิทฐิมันจะเตือนเราเสมอถ้าเราเหมือนกระบอกกับตัวเองไม่จะพยายามทำใช่ไะคะก็ค่อยเป็นค่อยไปรณรงค์กันเถอคะค่ะ